โดยเฉพาะท่านอุบาโกปฎิกาก็ตามและท่านผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติมาเจริญสักรรมฐ า, านเพื่อให้เกิดความรู้และความคิดต้องการให้เกิดสติปัญญาการเจริญกรรมฐ า, านมีความสําคัญอยู่ที่ความรู้และความคิด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 เรามีสติปัญญาสามารถการปฏิบัติชอบในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่นั้นวันนี้ก็จะแสดงปัญญาธรรมรื่ว่าการเจริญกรรมฐานทำให้เกิดความรู้เจริญกรรมฐานทำให้เกิดความทึกททำให้กระตุ้นเตือนจิดให้สแสบแส้กวางเพื่อตองการเร่งรัดพัฒนาชีวิต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 นี่ตรงนี้ขอฝากไว้ในวันธรรมสวนะดิ์ธรรมมสวรรณนี่คือเดี๋ยวก็วันพระเผลอไปหน่อยวันพระอีกอเดี๋ยวอีกไม่ช้าเป็นวันพะระแลมที่ผ้าคลุมจะซึ่งเดือนต่อไปแต่นี่เดือนแากอาจจะเป็นเดือนขาดอาจจะสอาทุ่ีเป็นจาติดต่อโศก็ได้ลองดูปฏิทินให้มันแน่นอนนี่บางทีก็วันพระ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 กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียงให้มากในวันทำบุญสันมาณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปจาความวาวันพะเท่ากันหมดเวลาก็เท่ากันหมดไม่มีลากลานเลโยโยมไปเรียดตัวเองว่าวันนี้วันพระเล็กโทมาหาตมาวันนี้มันชอบมึดบอพ่อคะวันพระนี้ฉันไม่ได้ไปวัดนะวันพระเล็ก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 ความโตกับความอะไอกโตกับไอโชษาเดียวกันหรือเล่าเหมือนกันไหมตาออกไปด้วยตาโยมทากรรมาฐานได้โยมจะตอบได้อย่างสวยงามตปธรรมะขบธรรมะแตกบางคนงขบธรรมะไม่แตกตัวสติแปลว่าอะไรนาท่านรู้รจักคาว่าสติตัวต้นสติตัวกลางสติตัวปลายเมือ่อใด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 คุจะเป็นขีนาสบลหานขี้าศบอยู่ในอรัญญาวปาปมีจำนวนไม่ใช่น้อยลอยอยู่ทั่วทั่วป่าเรียกว่าหมดกิเลสตัณหาก็ลอยอยู่ไม่เกินนี่แหเราจึงได้ออกมาปฏิบัติพื่อึงได้ผลยืนหน่อหครพ้างก็ได้แต่ว่าพาะในป่าคิดตรงไหนคิดตรงลิ้นปรี้ยเตามาได้จะขอหักมันมีสักตีอยู่ตรงนี้เลยเฉย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 และยังเป็นนักปฏิบัติอยู่ยังไม่เป็นครูใครได้ก็ปฏิบัติได้ไหนก็พูดให้โยมฟังเท่านั้นที่ทำได้ทำไม่ได้จะไม่พูดให้โยมฟังมันสูงสามารถเหลือวิสัยที่จะพูดให้โยมฟังได้เพราะเราทำไม่ได้เดชะามาจะกล่าวต่อไปอรตมมาทำได้แล้วจึงพูดให้ฟังมันจะชัดเจนขึ้นนี่เราได้จะหพ่อในตาถึางจะไปสร้างสูงเวรุวันสนแขก บัดนี้เด็กเข้าเต็มแนละ้วปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างดีที่สุดนี่เนี่ยเอากรรมฐานไปแก้เงี้ยนแง่และแก้ไขทำให้คนเหล่านั้นมีปัญญาเอาไปใช้ประจำตัวของเขานี่แหละกรรมฐานทีงได้ผลบางคนมาจิ้มจิ้มจามจามแส้เสียเสียจะจะเดินจงกรมทักหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแค่ิปปปียี่สิบเลิกแนละ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 ตัดสินใจไม่ได้แล้วแต่ตดสินใจไวก็ไม่ได้ไวก็เสียหมดสํำหรับใจร้อนใจทนไม่ไหวกระเพทศนี้ไม่มีปัญญาไม่ได้ผลางานที่เราวมาข้างต้นทุกประการมีเวทนา <c oughs> เราจะได้รู้เวทนาตั้งมาได้มาปเป็นเด็กแล้วเขาพูดกันตามสลาวัดไปวัดบอกเบาๆฟังเขาสอนกระซิบเบาๆฟังเขาสอน ชีวิตเราเกิดมาไม่ฉาววนอย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามองกองเผาเสมออย่าเล่นเล้อกวรทำพระกรรมฐาน <c oughs> ในไหนเราเกิดมาจะต้องตายอยูยกันทุกคนไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้แล้วเวลาใกล้ตายญาติามิตรบอกให้คิดถึงพระอัลลห์พระอัลหัรู้ยาสิฉุดคุณพระพุทธังเพราะกำลังเยธนาทุกล่า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 มั่ชครู่นี้ให้กำลังใจไปแล้วให้สติปัญญาเขาไปาเขาจาเปงมือกุศสนเตาขอใหม่ผสมอาจจะพื้นขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะพื้นคืนกลับดีขึ้นมาได้แต่จะต้องจากโลกไปก็ขอให้มีสติปัญญาอย่าหลงทางแต่พอตามไปในแลวท่านทั้งหลายให้กรรมฐานปัญเราเรียกว่าให้หึงทาง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 ้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุณจิตไว้ได้แล้วรับรองได้เลยว่าชีวิตขัาจะแจ่มใสนีา่าหละทำทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าใช่หรือไม่มนโนหรือจิตเป็นสิ่งที่สัาผัญมากจิตกานุ ป, ปัสนนาสดิปฐานข้อที่สามจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานมันเทียประทึกเสียงต้องก้มหนุที่นิ้ปีนั่นคิหนอ้อ คิดหนอตรงนั้นสิไม่ใช่ไม่ได้กาหนดเลยทําอะไรก็ไม่กาหนดท่านจะเกิดปัญญาได้หรือปัญญาติดกับตัวท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่เอาปัญญามัใช้ให้มันต่อปัญญาให้สูงขึ้นทําให้กองแก้ปัญหาได้แานกองแก้ไม่ได้อีกมโนธรรมคุยจิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากในตัวเองเพราะมันเป็นกําหนดพฤติกรรมหรือคิวิตของมนุษย์ ทั้งเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของโลกด้วยจิตเตะนะโลโกนิยติจิตที่ดีจะมีลักษณะสามประการจิตานุปัสนาติปทานธรมมานุปัสนาติปทานทำเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้ได้ด้วยมนโนธรรมทางสามประการคือจิตที่มีสุขภาพดี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 นะักปฏิบัต <Hi> ิการคือกรรมฐานก็ต <amigo> <t ell> ้องเริ <amigo> ่มต้นกรอมที่จิดก่อนเสมอคือคิดหนอโกรธและจิตมันโกรธก็เริ่มต้นที่จิตอีกโกรดหนอที่ลิ้นตีนเสียใจหนอดีใจหนอที่ไหนลิ้นตีหายใจให้ยาวๆจะอยู่ในลถป็ได้อยู่ในห้องน้ำประดับตะเกอรโกขึ้นมานั่นอยู่ตรงนั่นเอากอน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 นักวิจัยนักออกแบบนักพัฒนาก็ต้องเริ่มต้ น, ตนการที่ความรู้เริ่มต้นกันที่ความคิดเด้ยวยการทั้งสิ้นใช่หรือไม่ประการใดเริ่มต้นตรงนั้นท้งนั้นถ้าเรามีความคิดดีสติดีสมรรถภาพดีสุขภาพดีโยมจะมีปัญญาแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้น เคยพูดมาวันพระก่อนแล้วนกไม่มีขนขนไม่มีความรู้เครื่อนสู่ที่สูงไม่ได้นกต้องมีขนขนต้องมีความรู้ถึงจะขึ้นสิ้สู่ที่สูงได้ใช่หรือไมก่การผูปฏิบัติทันทั้งหลายเอ่ย น, นี่ลนะนกไม่มีขนก็บินไม่ได้ขนไม่มีความรู้ก็ขึ้นสูงไม่ได้มันก็มุมดลูลงไปมุดตามลงไปมุดตามลงไป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 แต่จเจริญสติปัฏฐาน4ีก็จะได้ทางเผยเป็นภาษาไทยหัง่ายๆเจริญสติปัฏฐาน4ีเนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นทางไสยเอกของพระบรมโยนเทจือชี้แกลงแสดงไว้เป็นเหตุเป็นผลนีนซึ่งความรู้มี4ีวิธีจะเลียงลำดับให้ท่านฟังจากง่ายไปหายากดังนี้เงความรู้จากจากการจำ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 ไม่เคยใช่จิตที่มีประโยชน์เลยนี่อีกาก็เดิจงกรองกับนั่งอย่างเดียวไม่มีการเจริญสติปัฏฐานสีให้มันครบองค์และวงกรอีแต่ประการใดไม่สามารถจะครบวงกจอนั้นได้มีความหมายอย่างนั้นประการหนึ่งนี่เป็นหลักําคําถ้าโยมเจริญกรรมฐานหนึ่งความรู้จากการจําจําแม่นยจำเรียกว่าสัญยาจะจําแม่นที่สด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 มาแรงพึ่งมาไปต้อมอุจจาระเหรอเพราะอะไรฮะโอ้ใครยายสอบได้ที่หนึ่งคโยสปเป็ตจำไหมนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายความจำได้มาจากเห็นรูปตาให้รูปจำหูดียินเสียงจำกระมูกได้เพียงจำมีน้นบมดจำจำได้ทั้งนั้นมีสมาธิดีมันก็จำได้ของดี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 กินแค่ตอนปุงพริกเลยกลายเป็นเบาหวานไปตายไปแล้วนี่ความจำมีใครหรือไม่ที่จะมาพูดในวันนี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่เคยอยากไม่อยากจัจับบางทีบางคนมาเจอกันหน้าคุณหน้าค้าคุณหน้าจําหนูได้ไหมบางคนก็บอกว่าจผมได้นะครับเขาคอนพัก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 เหลียวหนอแฟนกูน่าจะมาเยี่ยมกูหนอนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอยไปจำไอ้เรื่องพนิ้ควรจะตัดปริเดีพ่อกัวงวลถึงไปจำไอ้เรื่องพนิ้มาทำไมเนยจำมาทำไมอาจารย์มันเนี่ยมาอยู่ในวัดหลายวันเนี่ยจำอะไรได้มาจำแฟนได้ไหม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 ถ้าแม่่ม้ผัวเขาตายมีลูกตั้งหลายคนควรช่วยมาเป็นพิเศษออาไม้ใช่ผัวเขาไม่มีเขาไม่มีที่เพิ่มในบ้านมันยังมีเปลไมมเป็นไรเขาไม่ว่าแล้วเขาไม่ได้มาไม่ได้มาใช่ไหมถามสิจิตถึงเขาองไหม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 ก็ไ ม, าาม่สามารถจะรู้ของจริงคือปัญญานั่นะคือตอบปัญหาโยมไม่ได้โยมมีแต่ปัญหามาถามเราก็ต้องใช้ความจำจากสมาธิภาวนาไปแก้ปัญหาโยมได้ความจำที่มีคุรภาพนั้นคือจำได้แม่นยาจำได้ละเอียดจากคิดละเอียดสุขุมคำพิรภาพและจำได้นาน สมองของผู้ใดมีความสามารถได้ดังกล่าวบันทึกไว้ได้มากถือว่าผู้นั้นความจําเป็นเลิศแต่ผู้ที่สมองคือจําไม่ได้ไม่ดีนะัก <c oughs> สมองเสื่องแก่มากก็จะจําอะไรไม่ได้ก็สามารถคนที่จําได้มาสามารถพัฒนาความจำของตนได้มากคอทีนาสังเกต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 ถ้าไม่กินแล้วมันก็หนาหนาไหมหแต่เดี๋นี้มีตู้ย็นเก็านานก็หนาวเข้าาเข้ท่าเขงาชาเนียทำทั้งหลายเอ๋ยมันก็หนาของเก่าไม่เล่าเป็นไงงานลืมแต่ไม่ลืมอยู่อันนึงทำไรก็ไม่ลืม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 อลลาหัเดี๋ยวจะตายมดทีงจแม่ยืมเงินไปจแม่ราชการจำแม่ตรงไหนจแม่งไหนราชการเราเดีนออกโอ้ยเนี่ยท่านชาวุชนทางหลายเลยของจริงเนี่ยตแบงก์อจริงฮะยาวงกัน